การบำเพญ็ญการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดไปตามชั้นต่างๆของตัวอาคารเราต้องขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปสู่ชั้นบนคือชั้นที่หนึ่ง แล้วค่อยขึ้นไปสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปตามลำดับจนกว่าจะไปถึงชั้นสูงสุดต้องขึ้นไปเป็นชั้นชั้นไม่กระโดดข้ามไปเพราะว่าเราไม่มีปีกที่จะบินกระโดดข้ามไปได้เราต้องใช้เท้าเดินขึ้นไปตามบันได การปฏิบัติธรรมก็มีเป็นขั้นขั้นเช่นเดียวกันทำแต่ละขั้นก็ต้องทําไปตามขั้นของธรรมนั้ น, น, นเพราะทำแต่ละขั้นก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนทำขั้นที่จะตามมาต่อไปเหมือนกับการปลูกสร้างตัวอาคาร ก็จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนของการปลูกสร้างเช่นในขั้นแรกก็ต้องเตรียมฐานรากของตัวอาคารให้มีความแน่นหนามั่นคงรองรับน้ำหนักของตัวอาคารให้ได้ก่อนต้องมีการตอกเสาเข็มมีการวางฐานรากของตัวอาคาร แล้วถึงค่อยมีการก่อตั้งเสาขึ้นมาพอตั้งเสาขึ้นแล้วก็สามารถที่จะวางคานเชื่อมเสาต่างๆแล้วก็เทพื้นทําไปตามขั้นตอนเทพื้นแล้วก็สามารถที่จะก่อฟ้าผนัง สีฟ้าทำหลังคาทำอะไรต่างๆได้ตามลาดับเป็นการกระทำที่ไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนได้และงานแต่ละขั้นนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดของงานที่จะตามมาเช่นรากฐาน ถ้ามีความสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ประมาณตัวอาคารสิบชั้นก็จะรับได้เพียงอาคารสิบชั้นถ้าอยากจะสร้างเป็นอาคารยี่สิบชั้นก็จะไม่สามารถสร้างได้เพราะฐานรากนี้ไม่มีกำลังพอที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารยี่สิบชั้น พอได้เตรียมฐานรากไว้สําหรับรองรับตัวอาคารสิชั้นเท่านั้นถ้าอยากจะสร้างตัวอาคารยีสิชั้นสูง20สิชั้นก็ต้องเตรียมฐานรากไว้รองรับน้ําหนักของตัวอาคาร20สบชั้นถึงจะสามารถสร้างตัวอาคารยีสชั้นได้ฉันได้การบําเพ็ญปฏิบัติธรรมขั้นแรก ก็เป็นเหมือนเตรียมรากฐานไว้สําหรับรองรับตัวอาคารที่เรากำลังจะสร้างกันถ้าเราต้องการที่จะสร้างอาคารที่สูงมากสูงขั้นถึงสูงสุดถึงขั้นสูงสุดตัวรากฐานก็ต้องเป็นรากฐานที่มีกำลังที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารที่สูงสุดได้ ทานนี่เป็นเหมือนกับฐานรากการทําทานคือการแบ่งปันการให้สิ่งที่เรามีเกินความจําเป็นที่เราจะต้องเก็บเอาไว้เราเอาไปทําทานนี่เรียกว่าเป็นการสร้างรากฐานให้แก่การสร้างมรรคผลนิพานที่เป็น ตัวอาคารที่เราต้องการที่จะสร้างกันขึ้นมาถ้าเราทำทานไม่ได้เต็มร้อยคือเราไม่แบ่งปันสละสมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เกินความจำเป็นยังมีความรักมียังมีความหวงหรื อ, อยังต้องการใช้เงินทองเพื่อหาซื้อความสุขต่างๆอยู่ เราก็จะไม่สามารถทําทานได้เต็มร้อยเมื่อเราไม่สามารถทําทานได้เต็มร้อยเราก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เต็มร้อยเมื่อเราไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เต็มร้อยเราก็จะไม่สามารถที่จะบําเพ็ญจิตตภาวนาให้ได้เต็มร้อย เมื่อเราไม่สามารถบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้เต็มร้อยเราก็ไม่สามารถสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้ได้เต็มร้อยนี่คือความสัมพันธ์ของธรรมขั้นต่างๆกันเหมือนกับการสร้างตัวอาคารเวลาเราสร้างอาคารต่ำเราก็ไม่ต้องใช้ฐา น, น้ากที่แข็งแรงมาก เป็นสร้างตึกสองสามชั้นเราก็ชำฐานรากสําหรับรองรับน้ําหนักของตัวอาคารสองสามชั้นก็พอเราก็สามารถที่จะสร้างได้แต่เราจะไม่สามารถสร้างอาคารสูงใหญ่ได้ตามกําลังของรากฐานที่เราทําไว้สําหรับอาคารสองหรือสามชั้นนี้ฉันใดการบําเพ็ญ ทานศีลภาวนาก็เป็นแบบนั้นถ้าเราทำทานไม่เต็มร้อยเช่นทำร้อยละยี่สิบเราก็จะรักษาศีลได้มีศักยภาพที่จะรักษาศีลได้ร้อยละยี่สิบเราก็จะมีศักยภาพที่จะภาวนาได้ร้อยละยี่สิบมีศักยภาพที่จะบรรลุมรรคผลในภานได้เพียงร้อยละยี่สิบ ก็จะไม่สามารถได้ผลเต็มร้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนามรรผลที่ผานเต็มร้อยจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างรากฐานคือการบําเพ็ญฐานให้ได้เต็มร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่ออกบวชกันเวลาออกบวชนี้ก็จะสละหมดเลยเต็มร้อยมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไร สละหมดเช่นประวัติของพระอาจารย์ลูกเศรษฐของหลวงปูม่ม่นรูปหนึ่งท่านชื่อว่าหลวงปู่พรมท่านเป็นชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกไม่มีหลานท่านกับภรรยาขณะที่เป็นคารวะก็มีจิตใจฝ่ายบุญฝ่ายกุศล เข้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามฐานะของคารวะจนจิตจเจริญเติบโตพร้อมที่จะออกบวชพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มร้อยพร้อมที่จะออกบาเพ็ญจิตตภาวนาอย่างเต็มร้อยรักษาศีลอย่างเต็มร้อยท่านก็เลยทำทานอย่างเต็มร้อยทรัพย์สมบัติ ต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านก็ประกาศบอกให้เพื่อนบ้านชาวบ้านในบูบ้านให้มารับไปถ้าใครอยากได้อะไรขาดแคนอะไรต้องการอะไรท่านสละให้หมดส่วนตัวท่านกับภรรยาท่านก็มุ่งไปหาครูบาอาจารย์มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นไปบวชไปศึกษากับหลวงปู่มั่นส่วนภรรยาท่านก็ไปบวชชี ไม่ไม่ได้ทราบว่าท่านไปอยู่ที่ไหนกับใครเพราะหลวงตาท่านไม่ได้เขียนรายละเอียดท่านเขียวแต่ท่านเขียนแต่เรื่องของหลวงปู่ผมให้ฟังนี่แหละคือตัวอย่างของการสร้างรากฐานเต็มร้อยเพื่อที่จะได้มรรคผลนผิพพานเต็มร้อยถ้าเราต้องต้องการจะสร้างอาคารสูงใหญ่อย่างมรรคผลนผิพพานนี้รากฐานที่จะรองรับ มักผลนิพานนี้ก็ต้องแข็งแรงทานนี้ก็ต้องเต็มรอ้อยศีลก็จะต้องเต็มร้อยการบาเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องเต็มร้อยพอท่านออกบวชแล้วท่านก็รักษาศีลบรอยสุดตลอดเวลาไม่ด่างพร้อยอยู่กับศึกษากับหลวงปู่มัน่นแล้วก็บาเพ็ญจิตตภาวนาเต็มร้อย คือตั้งแต่ตื่นจนหลับวันหนึ่งจะมีเวลาพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงนอกนั้นเวลาที่ไม่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจะเป็นเวลาบําเพ็ญเบื้องต้นก็จะบําเพ็ญการการเจริญสติเพราะสตินี้ก็เป็นเหตุที่จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิ ก่อนที่จะออกทางปัญญาได้จิตจะต้องมีความสงบก่อนเป็นพื้นฐานเป็นกําลังของของปัญญาเหมือนกับการที่เราจะไปทํางานทําการก่อนที่เราจะออกไปทํางานนอกบ้านเราก็ต้องพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็รับประทานอาหารอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว เราก็พร้อมที่จะออกไปทำงานแต่หลังจากที่เราทำงานได้ประมาณแปดชั่วโมงตกเย็นห้าโมงเย็นเราก็เหนื่อยเมื่อยละเราก็ต้องหยุดการทำงานแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารสมาธินี้เป็นเหมือนกับการพักอยู่ที่บ้านพักผ่อนหลับนอน ถ้าเราไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับทานอาหารเราจะไม่มีกำลังที่จะออกไปทำงานคือการเจริญปัญญาได้จิตของเราถ้ายังไม่มีความสงบนี้ก็เป็นเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนจิตของปุถุชนที่ยังไม่ได้พบกับความสงบของจิตนี้เป็นเหมือนคนที่ชอบเที่ยวเตะเล่ล่อนไปไหนมาไหน แต่ไม่มีเวล า, าพักผ่อนหลับนอนจะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทําการได้จิตของผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่อัปปนายังไม่รวมเป็นหนึ่งนี้ถือว่ายังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนพอพอที่จะมีกำลังออกไปพิจารณาทางปัญญาได้เพราะจิตที่ไม่สงบไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขานี้ จะมีกำลังของกิเลสตัณหาคอยชุดร่างให้จิตไปคิดในทางของกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆจะไม่ยอมปล่อยให้ไปคิดทางปัญญาที่เป็นคู่ต่อสู้หรือศัตรูของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาจะก่อกวนอยู่เรื่อยๆเวลาที่ จะออกไปพิจารณาทางปัญญาถ้าไม่มีสมาธิกิเลสจะมีกำลังมากจะก่อกวนด้วยอารมณ์ต่างๆเช่นถ้าให้พิจารณาความเสื่อมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นความตายกิเลสก็จะสร้างอาการหดหู่ใจขึ้นมาจะสร้างความเบื่อหน่ายไม่อยากที่จะคิด ไม่อยากที่จะพิจารณาเรื่องของความตายจะไม่สามารถที่จะพิจารณาอนิจจงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรของสภาวธรรมทั้งหลายได้จึงจําเป็นที่จะต้องทำจิตให้สงบก่อนเพราะจิตที่สงบแล้วนั้นกิเลสตัณหาจะถูกตัดกำลังลงไปเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆนี้ เหมือนกับไม่มีกิเลสอยู่ในใจเลยเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่สมที่เหมาะกับการบําเพ็ญเจริญปัญญาปัญญาก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์ไตร ล, ลักษณ์ก็มีอยู่สามองค์ประกอบคือหนึ่งอนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆทั้งสัตว์ทั้งบุคคล ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจะต้องเสื่อมจะต้องดับไปเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้ในที่สุดวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปไม่มีใครที่จะมายับยั้งห้ามมันได้นี่คืออนัตตา สิ่งต่างๆนี้เขาเป็นธรรมชาติเขามีกฎมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาเจริญทำให้เขาเสื่อมทำให้เขาหมดไปไม่มีใครจะไปยับยั้งการเจริญการเสื่อมของสิ่งต่างๆได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นทุกขขัง ทุกขังก็คือทุกในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเทุกขังเกิดจากอะไรเกิดจากสมุทยัยคือความอยากต่างๆความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงความอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นตัวเราของเราคือให้เราสั่งได้ให้หันซ้ายหันขวาได้ให้เจริญได้ให้เสริม ได้หรือไม่ให้เจริญก็ได้ไม่ให้เสื่อมก็ได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสั่งได้เช่นร่างกายนี้ไม่มีใครสั่งได้พอร่างกายมันออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วมันก็จะต้องไปตามขั้นตอนของมันถ้าไม่เลี้ยงดูมันไม่ไม่ให้อาหารมันไม่ให้น้าไม่ให้ลมมันมันก็ยุติมันก็ตาย ถ้าให้ดินให้น้ำให้ลมให้ไฟให้อาหารมันก็จะเจริญเติบโตมันแต่มันไม่เจริญเติบโตแบบไม่มีขอบไม่มีเขตมันจเจริญตอบเติบโตไปได้ถึงขีดหนึ่งเช่นวัยสี่สิบกลางอายุกลางคนนี่มันก็หยุดเจริญเติบโตแล้วต่อไปหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อย เสริมไปทีละเล็กทีละน้อยก็คือความแก่เริ่มเข้ามาในร่างกายนั่นเองตอนต้นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวพอหนุ่มสาวได้เต็มที่เหมือนดอกไม้ดอกไม้ที่ที่บานอย่างเต็มที่พอบานสุดแ ล, แล้วต่อไปมันก็จะเหี่ยวแล้วต่อไปมันก็จะ เฉามันก็จะร่วงหลุดออกจากต้นไปนี่คือสิ่งต่างๆลองพิจารณาดูมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครไปสั่งมันได้มีมนุษย์เราพยายามทำกันแทบเป็นแทบตายมีตั้งๆทุกยุคทุกสมัยมานี่มีคนคิด ค้นหาวิธีที่จะชะลอความแก่ชะลอความตายกันแต่คนที่คิดคนนี้มันก็แก่กันไปตายกันไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟ ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าต่อไปไม่นานมันก็ต้องตกลงมาเป็นน้ำผ้ามันไม่ได้มันมีเหตุที่จะดึงให้มันลงมาโลกนี้ก็เราไม่เรียกคำว่าแรงดึงดูดของโลก ของอะไรที่ลอยขึ้นไปบนอากาศนั้นไม่นานมันก็จะถูกแรงดึงดดดึงกลับลงมาจากก้อนเมฆก็กลายเป็นน้ําฝนพอน้ําฝนมันก็ไหลลงไปตามแม่น้ําลําทานต่างๆแล้วมันก็ไปสู่ทะเลพอไปอยู่ทะเลมันถูกแสงแดดความร้อนก็ทําให้มันระเหยขึ้นไปใหม่กลายเป็นเมฆขึ้นมาใหม่ ในวงจรของน้ำมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นไปกลายเป็นเมฆแล้วจากเมฆมันก็กลับลงมาเป็นน้ำใหม่เป็นน้ำฝนทุกสิ่งทุกอย่างมนหมุนเวียนอย่างนี้ร่างกายของพวกเราก็หมุนเวียนเราเอาดินน้ำลมไฟมาเข้ามาในร่างกายมันก็มาแปลงเป็นอาการสามสิบสอง แปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันถ้าไม่มีดินน้ําลมไฟไม่มีอาหารไม่มีน้ําให้เราดื่มไม่มีอากาศให้เราหายใจร่างกายนี้มันจะไม่สามารถที่จะอยู่ได้อาการต่างๆจะไม่มีการเออ่เจริญได้เช่นผมมันจะไม่งอกยาวออกไปเล็บมันจะไม่ยาวออกไปมันจะหดอยู่มันจะตายเช่นไปดูคนตาย คนตายนี้ทิ้งไว้กี่ปีมันก็ไม่มีวันที่มันจะผมจะยาวขึ้นเล็บจะยาวขึ้นหนังจะแต่งตึงขึ้นมันมีแต่จะเสื่อมมีแต่จะแยกทางกันถ้าร่างกายนี้หยุดทํางานการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็จะยุติลงแล้วก็จะเป็นการเริ่มต้นของการ แยกทางของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคนตายนี้ถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็จะต้องเน่าบวมขึ้นมาน้ำที่มีอยู่ในร่างกายต่างๆมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆจนทิ้งไปต่อไปร่างกายมันก็จะแห้งกรอบไปเมื่อน้ำหมดไปไฟหมดไปลมหมดไปก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นดินนั่นเองนี่คือการ แยกตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามมายับยัง้งให้มันเป็นอย่างอื่นได้พอมีความอยากขึ้นมาทันเมื่อไรเมื่อนั้นก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาทันทีถ้ามีความอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ ท, ทันทีนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเจ้าสอนให้เราเห็นอนิจจังให้เห็นอนัตตาเพื่อจะได้ป้องกันใจไม่ให้ไปสร้างทุกขังขึ้นมาด้วยความอยากให้ใจยอมรับความจริงของสภาวะธรรมต่างๆเช่นร่างกายของเราก็ดีของบุคคลที่เรารักเราชอบก็ดี หรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราได้มาก็ดีต้องพิจารณาว่ามันเป็นเป็นสมบัติชั่วคราวมันจะอยู่กับเราเพียงระยะหนึ่งแล้วเรากับมันก็จะต้องแยกทางกันไปถ้าเราไม่รู้ความจริงอันนี้ใจของเราเวลารักอะไรก็จะมีความหลงคิดว่าอยู่จะให้อยู่กับเราไปนานๆได้ ก็จะอยากอยากให้อยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราเราก็ถูกใจขึ้นมาเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องจากเราไปเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเท่านั้นเองเราก็เตรียมตัวเตรียมใจ <c oughs> รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรับกับอนิจจังที่จะเกิดขึ้น รับกับอนัตตาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเรามีสมาธิ <c oughs> แล้วเราพิจารณาปัญญาเราก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ <c oughs> <c oughs> พอไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c oughs> ความทุกข์ใจก็ไม่มีนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจผู้ที่ดับความทุกข์ใจได้ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆเพราะความทุกข์ใจนี้เป็นเป็นเป็นปัญหาที่ผู้ปฏิบัติจะต้อง แก่ต้องดับให้ได้พอดับได้ท่านก็ท่านก็ว่าบรรลุแล้วได้บรรลุรมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่แล้วเพราะใจนี้มีความอยากกับสิ่งต่างๆเป็นขั้นขั้นเป็นตอนตอนไปเช่นขั้นแรกก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย <c oughs> ถ้าพิจารณานะร่างกายอยู่เรื่อยๆจนเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่มีใครไปสั่งไปห้ามมันได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องยอมรับความจรงิงอันนี้ไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาแก่ก็เฉยปล่อยวางต้องเฉยถึงจะถือว่าไม่มีความอยาก เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยวางเฉยเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยปล่อยวางไปถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็ปล่อยได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาก็จะปล่อยไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันจะไม่ยอมปล่อยนั่นเองมันจะอยากให้ความเจ็บหายไป มันอยากจะหนีจากความเจ็บไปพอมันเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาที่ใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความเจ็บที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายตามลาพังนี้ใจรับได้ใจอยู่กับมันได้สู้มันได้ทนกับมันได้แต่สิ่งที่ใจทนไม่ได้ก็คือความเจ็บทางใจ ที่เกิดจากความอยากการที่จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจความเจ็บทางใจก็ต้องยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บเป็นธรรมดาถึงเวลาเจ็บไปสั่งมันให้หายไม่ได้ถึงเวลามันจะหายเดี๋ยวมันหายเองถึงเวลามันจะเกิดมันเกิดเองใจมีหน้าที่เพียงหน้าที่เดียวเท่านั้นคืออยู่กับมันไป ทำใจเฉยทาใจให้เป็นอุเบกขานี่แหละคือความสำคัญของการทำสมาธิทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้ารู้จักทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาใจก็จะทำใจเป็นอุเบกขาได้เมื่อใจเป็นอุเบกขาใจปล่อยวางเฉยใจก็จะไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ ที่มีความรุนแรงมีความเจ็บมากกว่าความเจ็บของทางร่างกายถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาผู้ที่มีจิตที่เป็นอุเบกขาไม่มีความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายนี่แหละคือวิธี ต่อสู้หรือปฏิบัติกับทุกขเวทนาของทางร่างกายเวลากาดทุกขเวทนาทางร่างกายขึ้นมาใจต้องเฉยอย่างเดียวใจต้องเป็นอุเบกขาอย่างเดียวใจจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องเจริญสมาธิให้ได้การเจริญสติการเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธินี้ก็เพื่อที่จะได้อุเบกขานี้เอง พอเรารู้จักวิธีสร้างอุเบกขาด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายเราก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาเท่านั้นเอง mm hmm. เช่นเราก็พุทโธพุทโธไปก็ได้ mm hmm. เวลานั่งแล้วเจ็บก็อย่าไ ป, อย า, ไปอยากลุกอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ไปคิดถึงความเจ็บ ใจจะไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีใจก็จะเย็นจะสงบเป็นปกติกับความเจ็บของทางร่างกายอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่คือการปฏิบัติต่อความเจ็บของร่างกายและการตายของร่างกายก็เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะตายก็ทําใจให้เป็นอุเบกขาแบบเดียวกันพิจารณาว่ามันก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังมันถึงเวลามันมาถึงจุดจบของมันแล้วไม่มีใครห้ามมันได้ไม่มีใครสั่งมันได้ไม่ให้มันจบใจไม่ไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันไม่ตายเท่านั้นหละคือยอมตายพอยอมตายแล้ว ความทุกข์ใจจะไม่มีใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายใจก็จะแยกกับร่างกายได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างกายก็ไปทางหนึ่งใจก็ไปทางหนึ่งเพราะใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนฝาแฝดสยามดีๆนี่ฝาแฝดสยามนี่เวลาเกิดมานี่เขาร่างกายติดกันเป็นคู่ สมัยนี้เขามีหมอวิธีผ่าแยกแฝดสยามให้กายเป็นอยู่กันคนละอยู่กันแยกกันอยู่ได้จันใดการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนาการเจริญสมถ ภ, ภาวนาก็เป็นวิธีแยกกายออกจากร่างกายผ่าตัดแฝดสยามพวกเรานี้เป็นแฝดสยามกันคือมีใจกับร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปด้วยความจริงใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจไปผูกติดอยู่กับร่างกายด้วยโมหะความหลงด้วยอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นเลยกลายเป็นแฝดสยามไปถ้าคนนี้ตายคนนี้ก็ต้องตายตามไปด้วยคนนี้เจ็บคนนี้ก็ต้องเจ็บตามไปด้วยแต่พอเรา มาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเราก็จะสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ด้วยการบําเพ็ญสมถะภาวนาทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วก็สอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายก็อย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยเขาแก่ไปปล่อยเขาเจ็บไปปล่อยเขาตายไปใจก็จะแยกออกจากร่างกายไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่ก็คือการดับความทุกข์ขั้นแรกของพระอริยเจ้าคือขั้นพระสโสดาบัน ท่านต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยอย่างอย่างภาวนาอย่างสมถะและวิปัสสนาภาวนาคือต้องปล่อยด้วยภาวนาไมายปัญญาคือปัญญาต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าไม่อยากให้เกิดทุกข์ขังก็ต้องไม่มีความอยาก ให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับกับมันไปเช่นคนเราสมัยนี้ทุกข์กับหน้าตาก็เพราะว่าอยากให้หน้าตาแต่งตึงไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีอะไรต่างๆพอมีสิวมีฝ้ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเม็ดอย่งนี้เหมือนกับจะตกนรกใจนี้ทุกข์ขึ้นมาทันทีนั่นหละ เพราะยังไปยุ่งกับร่างกายอยู่ยังไปอยากให้ร่างกายคือหน้าตานี่สวยสดงดงามผิวพรรณผ่องใสเต่งตึงจึ ง, ต, ง, ต, งต้องใช้เครื่องสำอางกันโปะกันเข้าไปเวลามีสิวมีฝ้าขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูเครื่องสำอางนี้มันจะโปะเข้าไปจกกนกระทั่งมองไม่เห็น นี่เพราะว่ายัางไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ผิวพรรณผองสายเต่งตึงแต่พอมันแก่ลงไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปหนังก็ต้องเหี่ยวต้องย่นไปเป็นธรรมดาบางคนไม่ยอมรับก็ยอมเจ็บตัวยอมไปให้หมอเขาผ่าเขาดึงเขาตัดส่วนเกินออกไป มันก็ผ่าได้ไม่นานทําได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หย่อนขึ้นมาใหม่จนในที่สุดหน้าตากลายเป็นผีไปก็มีแต่งมากมากแก้มากๆดูไม่ได้สู้ปล่อยให้มันแก่ไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่แหละคือถ้าจะเป็นโสดาบันเนี่ยโสดาบันไม่กังวลกับเรื่องรูปร่างหน้าตานะ หน้าตามันจะเหี่ยวจะย่นมันจะเป็นอะไรนี้ไม่สำคัญแต่ก็ไม่ปล่อยปะากเลยผมผ้วกวีหน้าตาก็ล้างล้างด้วยสบู่ให้มันสะอาดไม่ใช่มีขี้ขี้ตาขี้จมูกก็ปล่อยมันติดอยู่ตรงตาตรงจมูกคือทำาความสะอาดดูแลรักษามันให้มันอยู่อย่างมีสุขลักษณะ แต่ไม่ได้ไปกังวลกับความสวยความงามของมันมันจะสวยก็ปล่อยมันสวยไปมันจะเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ย ว, ปยยวปยไปเพราะจพอโสดาบันนี่จะเห็นอนิจักรเสมอเห็นว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดานี่คือผู้ที่จะเจริญปัญญาเพื่อตัดความทุกข์ เพื่อที่ให้บรรลุขัน้นโสดาบันไดนี้ก็ต้องพิจารณาตายรักษณ์ในร่างกายนี้เองต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่คืออาหารที่รับประทานเข้าไปลมที่หายใจเข้าไปน้ำที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย มันก็มาต่อเติมให้ร่างกายนี้มีอาการ32ต่ออายุของอาการ32ให้ยืนอยู่ต่อไปได้ระยะหนึ่งพอถึงขีดที่มันไม่สามารถจะอยู่ต่อไปได้มันก็หยุดทำงานพอหยุดทำงานดินน้ำลมไฟที่เข้าไปในร่างกายมันก็แยกทางเดินกัน พอตายไปปั๊บนี้ร่างกายก็เย็นเฉียบก่อนแนะ้วธาตุไฟไปก่อนแนะถ้าไม่ตายร่างกายจะอุ่นนะยังมีไฟอยู่พอตายไปแล้วลองไปจับตัวคนตายเดียเย็นเฉียบแล้วลมก็ค่อยๆเราเหยออกมาเป็นกลิ่นที่เราดมที่เราไม่อยากจะดมกัน น, ะนี่กลิ่นที่ออกมานี้ก็เป็นธาตุลมน้ําที่ไหลออกมาตามถาวรต่างๆ ก็เป็นธาตุน้ำมันก็จะไหลมาจากระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบไปทิ้งไปนานๆก็จะกรอบแล้วก็จะผุแล้วก็จะกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นดินไปนี่คืออนัตตาของร่างกายผู้ที่ปฏิบัติจเจริญสมถวิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาตายรักในร่างกาย ต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาร่างกายไม่อพอเวลาร่างกายเริ่มแกน่นี้ใจเริ่มทุกข์กันแล้วเห็นหน้าตาของตนเองเริ่มมีอินกาเริ่มมีฝ้ามีอะไรขึ้นมาใจเริ่มไม่สบายใจ เ, เพราะความอยากอยากไม่แก่ยังอยากเป็นสาวยังเป็นหนุ่มอยู่นั่นเอง ถ้าไม่ต้องการจะทุกข์ก็ปองเสว่านั่นแหละคือร่างกายนั่นแหละคืออา น, นิจจังเป็นอย่างนี้เวลาร่างกายเจ็บก็ปองไปว่ามันอย่างนี้แหละมันต้องเจ็บเป็นธรรมดาวิธีที่จะสู้กับความเจ็บก็คือทําใจให้เป็นอุเบกขาฝึกสมาธิอยู่บ่อยๆทําสมาธิอยู่เรื่อยๆถ้าจิตรวมบ่อยๆนานๆต่อไปจะรู้จักวิธี ทำใจให้เป็นอุเบกขาเวลาเจอความเจ็บทางร่างกายก็จะทําใจให้เฉยๆไม่ไปให้เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปไม่เกิดความอยากให้อยากจะหนีจากความเจ็บนั่นไปเช่นเวลานั่งสมาธิแล้วเจ็บก็จะไม่อยากอยากเวลาเกิดความอยากลุกก็บังคับไม่ให้ลุกถ้าอยากที่จะพ้นทุกจากความเจ็บก็ต้องอยู่กับมันไป อย่าลุกพยายามใช้สมาธิช่วยใช้อุบเบกขาช่วยปัญญาช่วยปัญญาก็คือพิจารณาว่าสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันหายไปมันไม่หายจะทําทไงมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันเช่นเวลาเราเป็นไข้หวัดเจ็บไข้ได้ปวด่วยปวดปวดไปตามเนื้อตามตัวไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าสั่งไม่ได้เดี๋ยวมันหายเองมันเป็นอนิจจัง เพียงแต่ว่าเราต้องทำใจในขณะที่มันยังไม่หายอย่าไปสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาโดยใช่เหตุอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาให้มันหายเร็วๆแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยเวลามันจะอยากก็ใช้พุทโธช่วยพุทโธพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้หาอะไรให้ใจทำให้ใจมันนิ่งให้มันเฉยอย่าให้มันไป อยากให้หายอยากไปให้มันสร้างความอยากขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ไม่ว่าจะมาระดับไหนระดับหนูระดับแมวระดับสุนัขระดับช้างนี่ถ้ามีอุเบกขาแล้วรับกับมันได้หมดไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือขั้นแรกของของธรรมเนี่ย การที่จะได้ทำขั้นแรกนี้ก็ต้องมีสมรถะเต็มร้อยมีมีศีล เ, เต็มร้อยมีทานเต็มร้อยถึงจะได้เข้าสู่ทำขั้นนี้ได้ทำขั้นที่สองก็ต้องเพิ่มการพิจารณามีโจทย์ใหม่เข้ามาขั้นที่สองขั้นที่สามก็เกี่ยวกับการอารมณ์นี่เองเห็นร่างกายยังเกิดการอารมณ์อยู่ เห็นร่างกายคนนั้นคนนี้แล้วยังเกิดการอารมณ์อยากจะเสพการกับเขาก็ต้องมองร่างกายของเขาในส่วนที่ไม่น่าดูบ้างอยากไปดูในส่วนที่สวยที่งามท่านบอกให้ดูในส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อที่จะได้มารับมาล้มมาดับการอารมณ์นั่นเองถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นถ้าเห็นภายใน อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ชเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นหัวใจเห็นลำไส้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะดับการมาลงได้หรือเห็นตอนที่เขาตายไปแล้วสมมติว่าเขาตายไปแล้วเรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาอยู่หรือไม่นึกถึงภาพของคนตาย อยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดการอารมณ์เห็นภาพของคนตายแล้วมันจะดับการอารมณ์ได้นี่คือเรียกว่าการเจริญอสุภะเนี่ยการเจริญอสุภะก็เป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆสลับกับการเข้าไปในสมาธิถ้าเราพิจารณาแล้วเรามีความเหนื่อยเรื่องว่าไม่อยากจะพิจารณา หรือฟุ่งซ่านไปเราก็หยุดแล้วก็กลับมาทำใจให้สงบก่อนแสดงว่าอุบเบกขาที่จะใช้ในการพิจารณาทางปัญญานี้มันหมดกำลังกิเลสตัณหาเริ่มมาก่อกวนแทนที่จะมองเป็นอสุภะกลับมองไปเห็นเป็นสุภะขึ้นมาใหม่แทนที่จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามกลับเห็นว่าสวยว่างามเราก็ต้องหยุดการพิจารณาไว้ชั่วคราว กลับมาสู่การทําใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับการไปทํางานเมื่อเหนื่อยแล้วถึงเวลาเลิกทํางานก็ต้องกลับบ้านกลับมาพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารให้มีกําลังวังชาก่อนที่จะออกไปทํางานใหม่การพิจารณาปัญญาก็มีขอบมีเขตพิจารณาไปถึงขอบเขตนั้นแล้วจะไม่สามารถที่จะพิจารณา อย่างได้ผลต่อไปคือไม่ได้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการเช่นให้พิจารณาอสุภะอยู่ถ้าจิตเริ่มทะเละไลัยไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็แสดงว่าการพิจารณานี้หมดหมดกำลังแล้วก็ต้องหยุดอย่าปล่อยให้ทะเลาไหลไปคิดถึงความสวยความงามไปถึงอะไรต่างๆดึงใจกลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบใหม่ แล้วพอออกจากความสงบมาก็พิจารณาอสุภะใหม่ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจนั่นเองพอถึงเวลาที่จะต้องใช้มันจะได้ดึงมาใช้ได้ทันทีทันควันถ้าไม่พิจารณาอยู่เนืองๆให้มันฝังอยู่ในใจเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะดึงมันออกมาไม่ได้จะดึงออกมาไม่ทันจะสู้มันไม่ได้ มันจะพาเราไปเสพกามเสียก่อนอืนี่แหละถ้าเราสู้มันได้เราก็จะบรรลุทำขั้นที่สองขั้นที่สามได้คือขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีขั้นพระสกิดาคามีนี้ท่านบอกว่าทําให้การอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่ได้ทําให้มันหมดเช่นเมื่อก่อนมีเต็มร้อยก็ทําให้มันลดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเหลือร้อยละห้าสิบเนี่ย เมื่อก่อนนี้มีแต่การมารมตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่พอพิจารณาสุภาพมาไปบ้างก็ช่วยตัดกำลังของมนให้เหลือร้อยละห้าสิบมีบ้างบางเวลาบางเวลาก็ไม่มีเวลาใดนึกถึงสุภาพได้เวลานั้นการมารมก็เบาบางลงไปเวลาเผลอไม่ได้คิดถึงสุภาพมันก็แรงกลับขึ้นมาใหม่นี่คือขั้นของขั้นที่สอง คือขั้นของพระสกิดาคามีขั้นที่สามก็คือขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีนี้มีกําลังพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาสามารถดึงอสุภะออกมาได้ทุกเวลาที่เกิดกามารมณ์ทุกครั้งที่เกิดการารมณ์ขึ้นมาอสุภะจะขึ้นมาทันทีเหมือนสมัยนี้ขับรถมีก็เรียกอะไรถุงลมนิรภัย พอรถชนปั๊บนี่ถุงลมนิรภัยมันจะออกมาทันทีมันก็จะป้องกันคนขับรถไม่ให้บาดเจ็บได้ฉันใดอสุภะก็เป็นเหมือนถุงลมนิรภัยนี้พอเกิดการมาลมปับ๊บไอ้นี่ก็จะโผ ข, ขึ้นมาทันทีหยุดได้ทันทีป้องกันไม่ให้ใจต้องทุกได้ทันทีนี่ก็คือทำขั้นที่สาม สองขั้นที่สองขั้นที่สามที่พูดบำเพ็ญจะต้องเจริญปัญญาคืออสุภะปัญญาจึงมีหลายขั้นแต่สมาธินี้เมื่อมีอัปปน า, าแล้วก็หมดถึงขั้นอัปปน า, านี้ก็พอแต่ต้องใช้สมาธิมาคอยสนับสนุนการเจริญปัญญาเพราะสมาธิเป็นที่พักผ่อนหลับนอนของใจของผู้ที่เจริญปัญญานั่นเอง พิจารณาแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิออกจากสมาธิมาก็พิจารณาใหม่พิจารณาจนมันไม่หลงไม่ลืมการพิจารณาบ่อยๆนี้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้มันฝังอยู่ในใจเหมือนตหมัยที่เราเรียนคณิตศาสตร์เมื่อก่อนนี้เราจะตัง้งท่องสูตรคูณกันท่องให้จาให้ได้เพราะเวลาทำข้อสอบทำการบ้านนี้จะต้องใช้การคานวณ การคำนวณนี่ก็จะต้องมีรู้สูตรคูณพอเห็น8ปคูนแก็จะได้รู้ว่า8ปคูนแได้เท่าไหร่ไม่ฉะนนั้นก็ต้องมานั่งบวก8ปดหนึ 1, ่งแดสองแดสามบวกไปมันก็จะไม่ทันทันการการพิจารณาสุภาก็เหมือนกับการท่องสูตรคูณนี้ไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมพอถึงเวลาที่จะใช้มันก็จะได้ดึกมันออกมาใช้ได้เลย ถ้ามีอสุภะตลาดเวลาก็จะสามารถคุมกามารมณ์ได้อย่างถาวรกามารมณ์ก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อีกต่อไปนี่คือทำขั้นต่างๆทําทั้งสามขั้นนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายพอผ่านขั้นนี้ไปแล้วเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้ก็หมดปัญหาไปไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปไม่ต้องพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องพิจารณาอสุภะ ไม่ต้องพิจารณาดินน้ำลุนไฟอาการสามสิบสองเพราะว่าใจนี้ไม่มีปัญหากับร่างกายแล้วเห็นร่างกายของใครจะไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับร่างกายของใครนี่คือธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะบรรลุถึงได้เมื่อถึงแล้วก็จะไม่มีวันที่จะเสื่อมหายไป ไม่เหมือนกับทำขั้นโลกียะที่มีการเสื่อมได้ทำทานไปก็เสื่อมได้รักษาศีลไปก็เสื่อมได้ภาวนาเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธิก็เสื่อมได้แต่พอเข้าสู่ทำขั้นวิปัสสนาแล้วนี้พอได้ผลแล้วผลนั้นจะไม่เสื่อมพอได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมได้เป็นสกิรดาคามีแล้วก็จะไม่เสื่อม ได้เป็นอนาคามีแล้วก็ไม่เสื่อมเป็นอรหันต์แล้วก็จะไม่เสื่อมการจะเป็นอรหันต์ก็ต้องก้าวจากขั้นอนาคามีไปก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นอรหันต์ได้พอผ่านทางร่างกายไปแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ภายในจิตในใจก็ต้องพิจารณาหาดูปัญหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่ใจยังไปติดยังไปรักไปชอบ ยังมีความอยากอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในติดอยู่ในใจก็คือสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อโดยกันคือรู ป, ปราคะความยินดีในรูปฌานอรูปราคะความยินดีในอรูปฌานมานะการถือตัวอุทธัจจะความไม่ความไม่พอดีในการเจริญปัญญา คือจเจริญปัญญามากเกินไปจนทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาและความไม่เห็นอรยิยสัจสี่ภายในใจนี่คือปัญหาของผู้ที่จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้จะไม่พิจารณาเรื่องของร่างกายแล้วนี่จะพิจารณาอยู่แต่เรื่องของจิตเท่นั้นว่าตอนนี้จิตติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับรูปประชาญหรือเปล่าติดอยู่กับอรูปประชาญหรือเปล่าติดอยู่กับการถือเนื้อถือตัวหรือเปล่า ติดอยู่กับการพิจารณาแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจนฟุ้งซ่านไปหรือเปล่ายังไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในจิตนั้นหรือเปล่านี่คืองานของของผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องพิจารณาวิปัสสนาขั้นนี้ขั้นดูจิตเนี่ย เรีย่ยวาสอนให้ดูจิตเหมือนต้องผ่านร่างกายไปก่อนมันถึงจะเข้าถึงตัวจิตได้ถ้าไปดูจิตทั้งๆ ท, ท, ที่ยังติดยังหนงอยู่กับร่างกายดูไปก็เหมือนกับดูไปอย่างนั้นแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในเหตุการ์ตัวเองยังอยู่ติดอยู่กับร่างกายแต่ไปดูเรื่องจิตดูไปก็เสียเวลาเปะปาๆเพราะเรื่องของร่างกายยังปล่อยไม่ได้แล้วจะไปปล่อยเรื่องของจิตที่มันอยู่ไกลอยากตัวไปได้อย่างไร มันต้องปล่อยร่างกายให้ได้ก่อนมันถึงจะเข้าไปถึงตัวจิตได้เมื่อเข้าถึงตัวจิตได้แล้วมันก็ถึงจะปล่อยได้นี่คือขั้นตอนของการบาเพ็ญของการปฏิบัติเหมือนกับการสร้างอาคารสูงที่จะต้องมีขั้นมีตอนขั้นต้นก็ต้องทำรากฐานให้แข็งแรงฐานต้องฐานนี้ต้องเต็มที่ศีลขั้นที่สองก็ต้องเต็มที่ สมถภาวนาขั้นที่สามก็ต้องเต็มที่แล้วถึงจะเข้าสู่ขั้นวิปัสนาขั้นที่สี่ได้พอถึงขั้นวิปัสนาก็จะได้มรรคได้ผลขึ้นมาตามลำดับมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งพอได้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ถือว่าการการสร้างอาคารนี้เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว จ่ายเงินรับเงินจากผู้จ้างได้แล้วคนจ้างก็สามารถย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้วงานก็จบโครงการนี้ก็ปิดไปโดยปริยายงานทางธรรมก็เป็นอย่างนี้ท่านพอถึงจุดนี้ท่านจะเรียกว่าวุสิตังบ ร, รมจาริยังกิดในพรหมจรรย์ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องภาวนาไม่ต้องทาทาน นั่งกินนอนกินอยู่ไปเรื่อยๆได้ไปตลอดจิตไม่มีวันเสือ่อมอีกแล้วจิตเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นไปตลอดจะทำบุญก็ได้ไม่ทำบุญก็ได้อย่าไปทำบาป ท, ท่านเองไม่มีไม่มีการไปทำบาปโดยเด็ดขาดนะเพราะคนที่บรรลุแล้วนี้ไม่บ้าพอหรือโง่พอที่จะไปทำบาปเพราะรู้ว่าการทำบาปมันเป็นโทษกับตนเองไม่ว่าจะเป็น อ ad, ร, ริยะเลิก si ไม่เป็นอริยะไม่ทาผิดกฎหมายเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางเหมือนกันไม่ใช่ไปบอกว่าเราเป็นอริยะแล้วเราทําผิดกฎหมายได้แล้วคุณจับเราไม่ได้แล้วเขาไม่ฟังหรอกลองไปฆ่าคนดูเลยเป็นอริยะไปฆ่าคนดูเราก็ตามจับเข้าไปขังคุกขังตารางเหมือนกันแต่พระอริยะไม่โง่ไม่บ้าพอที่จะไปทําอะไรอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ติดกับเรื่องของการทําบุญทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ เป็นพระอริยะบางลูกท่านก็ไม่สั่งสอนใครเพราะท่านไม่ถนัดท่านนั่งอยู่เฉยๆปิดปากนี่สบายกว่าสอนแล้วมันเหนื่อยสอนแล้วบางทีคนฟังไม่รู้เรื่องสอนแล้วไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลก็ไม่รู้จะสอนไปทาไมท่านก็ไม่สอนท่านไม่สอนมันก็ไม่เสียหายอะไรไม่ผิดตรงไหนแต่ถ้าเรายังยึดติดในบุญอยู่นี่พอเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกว่าเสียหาย วันนี้ไม่ได้ทำบุญ น, นี่เราเพิดแล้วเนี่ยจะคิดอย่างนั้นทันทีแต่พระอาราหันต์นี่ท่านไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำบุญก็ไม่ทำสิทำไปทำไมบุญ ม, มันเต็มอยู่ในหัวใจแล้วทำอีกมันก็ได้เท่าเดิมทำไปทำไมมันต่างกันตรงนั้นพาาระาอารหันต์กับปุถุชนนี้จะคิดไม่เหมือนกันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการบำเพำ็ญธรรมต้องมีขั้นมีตอน อย่าข้ามขั้นขั้นตอนอยาไปฟังพวกที่หูหนวกตาบอดบอกาให้กระโดดข้ามไปเลยเรกระโดดข้ามไประวังมันจะขาหักเอานะมันจะตกลงมาขาหักเอาแล้วมันจะไปไม่ถึงไหนกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิต e ุทินนางเปตานางอุปก oh ัรปติอิจชิตังปฏิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัเพปุเรนตุจังกะปา จันโทปนาระโสยทามานิชโชติระโสยทาสพีติโยวิวัจชานตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีพายุโกภะอภิวาธนสีลิสนิจังวุธาปจายโนยัตาโรธรมมวัฏานติ อายุวันโอสุขังภาลางังต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามปัญหาธรรมขอความกรุณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่ปิดแล้วก็ขอคาร์มานาะอย่ามาถามถ้าอยากจะถามขอให้ถามตอนที่เปิดใหม่จะได้ฟังกันทั่วหน้า จะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบจะได้ประโยชน์ถ้ามาถามหลังใหม่แล้วมันได้เฉพาะตนเองคนอื่นจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องอายหรอกคนเราก็เหมือนกันั้งนัต้องโง่ออมาก่อนถึงจะฉลาดได้อถ้าไม่มีก็ถ้ามีก็ถามอขออนุญาตสอบถามเพื่อเป็นอการยืนยันในการเป็นกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะครับ ในเวลาที่เราภาวนาพุโทโธอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกจะควบคู่กันไปด้วยแต่เมื่อปีกตัวไปพิจารณาในด้านอื่นอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าออกจะชัดมากกว่าภาวนาพุโทโธแล้วก็รู้สึกว่าดูอารมณ์แล้วเนี่ยดูลึกลมหายใจเข้าออกแล้วเวทนาต่างๆมันจะคุมได้ดีกว่าการยึดคำภาวนาพุโทโธแนวทางที่ควรจะยึดต่อไปคือ แราลึรกรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วปีกไปพิจารณาในด้านของการวิปัสสนาอย่างนั้นได้ไหมครับคือถ้าเราจเรเิญสมถะภาวนาเพื่อความสงบนี้เรายัางไม่ควรที่จะไปพิจารณาทางปัญญาควรจะให้ใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวเพื่อที่จะได้มีฐานมีกำลังใจเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขา เราค่อยออกจากเวลาออกจากสมาธิไปแล้วมีอุเบกขาไปแล้วถึงจะค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปไม่ควรที่จะพิจารณาในช่วงที่เราทำความสงบเราต้องเข้าใจว่าการทำความสงบกับการพิจารณานี้เป็นงานคนลนะแผนกันถ้าเอามาทำปนกันแล้วมันจะลบกวนกัน แล้วจะไม่ได้ผลทั้งสองอย่างความสงบก็ไม่ได้ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะไม่ชัดนันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทำทีละอย่างถ้ายังไม่มีสมถะยังไม่มีอุเบกขาต้องพยายามทำใจให้มีอุเบกขาก่อนเมื่อมีอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขานี่ยยังจะตกค้างอยู่ภายในใจอยู่ ก็จะใช้อุเบกานี้ช่วยในการเจริญปัญญาได้สะสไปต่อเดี๋ยวคำถามแรกค่ะจากคุณมัจจุราชพัทลุงค่ะถามว่ า, าทารู้พุโทโธกับาทาตบริสุทธิ์ที่ใจ จะทำลายตัวกาเนิดอวิชชาได้อย่างไรคะถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่มีเชื้อของภพของชาติมันไม่ได้ทำลายผู้ที่ทำลายก็คือสติปัญญาที่ทำลายโมหะอวิชชาตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีอวิชชาโมหะไม่มีตันหากิเลสใจก็สะอาดบริสุทธิ์ จายอาดบริสุทธ์ก็ไม่ไปเกิดเด็กต่อไปคำถามต่อมาค่ะจากคุณรัตวไลพีระเรืองฤทธิ์อยากจะถามว่าถ้าลูกเห็นสิ่งต่างๆในครอบครัวในทางไม่ดีแล้วลูกไม่พูดคุยกับบุพการีสิ่งนี้จะทำให้ผลบุญที่ลูกสะสมมานั้นลดน้อยถอยลงหรือเป็นกรรมที่จะติดตัวลูกไปอีกหรือเปล่าคะ ไม่เป็นหรอกถ้าเราไม่ได้ทําอะไรก็แสดงว่าเราไม่ได้ทําบุญหรือทําบาปบุญก็ไม่เพิ่มขึ้นบาปก็ไม่เพิ่มขึ้นถ้าเราพูดแล้วเกิดประโยชน์ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ก็เป็นบุญเราก็ได้บุญเพิ่มถ้าเราไปพูดแล้วทําให้เขาทําบาปเพิ่มมากขึ้นเราก็ไปส่งเสริมการทําบาปของผู้อื่น การจะพูดไม่พูดนี้ต้องดูผลที่จะตามมาจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรคนรจะดูที่ผลที่จะตามมาถ้าเราพูดหรือเราทําแล้วทําให้เกิดผลดีตามมาเช่นเขาทําบุญมากขึ้นทําบาปน้อยลงก็ควรจะพูดควรจะทําแต่ถ้าพูดแล้วทําแล้วเขากลับทําบุญน้อยลงทําบาปมากขึ้นก็อย่าไปพูดอย่าไปทําคําถามต่อมาจากคุณวิมลสลดัดค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมอยู่บ้านกับอยู่วัดต่างกันอย่างไรคะต่างกันตรงที่ว่าวัดมันเป็นวัดบ้านมันเป็นบ้านคาถามต่อมาจากคุณกนกพรภัยสารอัจฉริเสนีดิฉันอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งกล่าวว่าเมื่อวางสุขได้ทุกก็จะวางไปเองดิฉันใครครวรตามธรรม แล้วคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเรายังไม่ดับทุกข์แล้วสุขจะถูกวางลงก่อนดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระอาจารย์เคยเทศว่าเมื่อทุกข์ดับสุขก็จะมาเองคำถามดิฉันอยากทราบความหมายตามคำกล่าวในหนังสือว่าถูกหรือผิดขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ ที่เขาพูดว่าสุขกับทุกนี้เขาหมายถึงความสุขความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นจากรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะเวลาเราเห็นรูปที่เรารักเราชอบเราได้เสพได้สัมผัสเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลารูปนั้นหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่เสบรูปนั้นคือไม่เสพความสุขจากไม่หาความสุขจากการเสพรูปนั้น เวลารูปนั้นไม่หายไม่หายไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือความหมายของคำว่าสุขกับทุกข์ที่มันเป็นของคู่กันที่เราจะต้องปล่อยเราอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับความความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเขาเสื่อมไปส่วนความสุขที่เกิดจากการปล่อยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจไม่ไปเสพกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังเลยคำถามต่อมาค่ะถ้าเรานั่งสมาธิไป เราจะเข้าสู่นิพพานหรือเปล่าครับถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวยังเข้านิพพานไม่ได้เข้าสมาธิได้ก็เข้าสู่ขั้นรูปฌานหรูปฌานหรือขั้นนิโรธสมาบัติซึ่งเป็นธรรมชั่วคราวเมื่อกําลังของสติที่ที่ดันจิตเข้าไปในในสภาพนั้นหมดกําลังจิตก็จะถอนออกมาก็จะเสื่อมลงมาสู่การเสพกาม ก็จะไปเป็นเทพเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปถ้าจะเข้าถึงนิพพานนี้จะต้องมีปัญญาที่จะสกัดความเสื่อมของจิตที่ได้จากการเข้าไปในสมาธิในเวลาออกจากสมาธิมาเราจึงต้องเจริญปัญญาเพื่อสกัดความเสื่อมของความสงบนี้ที่จะเกิดจากตันหาความอยากถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสกัดเราก็จะสกัดความเสื่อมได้เพราะเราจะทำลายตันหาความอยาก ถ, ถ้าเราเห็นตายรักความอยากก็จะหายไปถ้าเราเห็นอสุภะความอยากก็จะหายไปแล้าถ้าเราอยากจะเข้านิพพานหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วเราต้องเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์อันนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าอาหารก็เป็นสิ่งที่สโปรกไม่น่ารับประทาน <c oughs> แล้วก็จะตัดควาาามมอย่งตๆไปไปดด้หดคำถามต่อมาจากคุณนัทสีกระหนกค่ะผมตั้งใจแล้วว่าสิ้นปีนี้จะออกบวชอย่างแน่นอนตอนนี้จึงได้กำลัง ด, ดำเนินการขายรถและเตรียมเลิกกิจการค้าขายที่ทาอยู่กับหุ้นส่วนโดยจะยกทรัพย์สินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ภรรยาและคุณพ่อได้เลงวัดที่จะไปขอบวชเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวกับ พ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแถวอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเช่นวัดภูสังโควัดถ้ำพูววัดถ้ำสหายของสายหลวงตามหาบัวผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับและเตรียมการอย่างไรบ้างจึงจะสามารถฝากตัวเป็นลูกศิษย์และได้บวชอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเหล่านี้ครับก็ต้องปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไป เวลาว่างแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายก็มาฝึกเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมพิจารณาปัญญาไปเรื่อยๆซ้อมไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอเราพร้อมที่จะออกบวชเราก็จะได้วิ่งได้เลยไม่ใช่พอมาบวชแล้วค่อยมาหัดวิ่งอย่างนั้นจะไม่ทันการ เราเตรียมไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาที่จะออกวิ่งก็วิ่งไปได้เลยไม่ใช่เวลาจะวิ่งต้องไปหารองเท้ า, เามาก่อนต้องฝึกวิธีวิ่งว่าวิ่งอย่างไรทําอย่างไรอย่างนั้นมันก็จะไม่ทันการพอไปเบื่อแล้วไปอยู่วัดของครูบาอาจารย์อาจจะไม่สามารถทําภารกิจต่างๆที่ต้องทําได้พอทําไม่ได้ก็จะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายและอาจจะต้องถอยหลังกลับไปก็ได้ะ แต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนพร้อมพราะ ร, รู้หน้าที่ของเราว่าพอบวชปั๊บจะต้องทำอะไรบ้างพอบวชเราทำปั๊บทาได้เราก็จะไม่รู้สึกอิน้าละอาใจท้อแท้เบื่อหน่ายคำถามต่อมาจากคุณภูซัมออมค่ะการรู้สึกน้อยใจครูบาอาจารย์ถือเป็นบาปไหมเจ้าคะเมื่อมีโอกาสได้พบท่านบางครั้งก็ดูเหมือนท่านดุมาก บางครั้งก็ดูเหมือนใจดีมากจนเราวางตัวไม่ถูกจึงได้แต่สงบสำรวมไม่กล้าพูดขอพระอาจารย์เมตตาด้วยเจ้าค่ะว่าเราควรทำตัวอย่างไรความน้อยใจมันก็เป็นกิเลสตัณหาเพราะผิดหวังไม่ได้ดังใจอยากวิธีปฏิบัติกับใครไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามต้องทำใจให้เป็นกลางเป็นอุเบก ข, ขาเสมอ ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะดีจะร้ายอย่างไรนั่นเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ของเราคือเราจยไปตื่นเต้นไปกับเขาเขาดีก็ดีใจลอยขึ้นไปบนฟ้าพอเขาไม่ดีก็ตกลงไปนรกนี่แสดงว่าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติใจของเราถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติใจของเราจะรักษาใจให้เป็นกลางอยู่อย่างเดียวคือจะไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏรับู เขาจะดีก็ปล่อยเขาดีไปเขาจะไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไปเรามีหน้าที่ทำใจให้รับรู้สักแต่ว่ารู้ไปเท่านั้นเองก็จบคำถามต่อมาจากคุณวันภาธรรมสาลีค่ะเวลานั่งสมาธิอยู่หากมีผู้รบกวนรบเร้าให้ออกจากสมาธิจะมีผลอย่างไรคะ ว่อาออกจากสมาธิมันก็ไม่ได้นั่งสมาธิเลยจะได้ผลยังไงลนะ่ะคำถามต่อมาจากคุณสว่างจิตค่ะนั่งสมาธิแล้วง่วงจนเอาไม่อยู่อ่อนเปลี้ยไปหมดทุกส่วนของร่างกายอ้อแ อ, อจะทำเช่นใดได้ครับอดอาหารนะถ้าอดอาหารก็จะไม่ง่วงหรือผ่อนอาหารอย่างน้อยที่สุดก็ต้องถือศีลแปดผู้ที่จะเผื่นั่งสมาธินี่ เพื่อจะได้กาจัดกิเลสคือความง่วงเหงาเหานอนนิวรถ้าเรารับประทานอาหารมากแล้วเวลานั่งมันจะหลับง่ายดะนั้นท่านถึงถสอนให้ถือศีลแปดกันสำหรับผู้ที่จะหัดภาวนาคือไม่รับประทานอาหารหลังเครื่องวันไปแล้วถ้ามันจะง่วงก็ช่วงเฉพาะสองสามชั่วโมงหลังจากตอนที่รับประทานอาหารกลางวันพอตกเย็นแล้วมันก็จะไม่ง่วง ถ้าเราไปรับประทานอาหารเย็นต่ออีกมือมันก็ง่วงต่อไปถึงสามทุ่มสี่ทุ่มมันก็ถึงเวลานอนพอดีคำถามจากผู้ฝากถามค่ะในชีวิตของนักปฏิบัตินอกจากนิวรณ์ห้าแล้วยังมีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบความตั้งใจยอยู่เรื่อยๆและยากขึ้นเรื่อยๆและถ้าเลือกการปฏิบัติแล้วต้องไม่สนใจกับอุปสรรคที่เข้ามาใช่ไหมคะ นักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาจะเจออุปสรรคแบบนี้มาทดสอบจิตใจไหมคะทำไมหนูเห็นชีวิตนักปฏิบตับติบางคนดูสะดวกสบายทางราบรื่นทุกอย่างแต่ในขณะที่บางคนกว่าจะเดินเข้าวัดได้เลือดตาแทบกระเด็นแถมมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับนิวรณ์ห้ากว่าจะเข้าถึงความสงบได้ก็เป็นเพราะว่าเราเป็นพวกอะไรนะ พวกกิเลสหนาปัญญาทึบอย่างเมื่ออา ท, ทิตย์ล่าก็เทศแล้ฟังว่าผู้ปฏิบัติก็แบ่งไว้สี่ประเภทด้วยกันพวกกิเลสหนาปัญญาทึบนี้ก็ปฏิบัติก็ยากรู้กระชาส่วนอีกพวกนี้ก็พวกกิเลสบางปัญญาฉลาดแหลมคมพวกนี้ก็ปฏิบัติง่ายสะดวกรวดเร็วบรรลุได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วส่วนอีกสองพวกก็อยู่กลางก คำถามต่อมาจากนายเฉากล้วยค่ะผมอยากถามหลวงพ่อว่าผมได้นั่งสมาธิก่อนนอนวันละหลายชั่วโมงพอหยุดทำสมาธิรู้สึกเหมือนมีใครไม่รู้มาพูดข้างหูบางทีก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าก่อนจะเกิดเหตุทั้งๆที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเพิ่งจะมาเป็นได้แค่ปีกว่าเองครับเพราะเหตุใดแล้วก่อนจะเห็น อะไรพวกนี้คือผมฝันเห็นศาลาสีชมพูมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อ่อนตลอดเวลาศาลาสีเหมือนบัวหลวงแล้วได้ยินผู้ชายในฝันบอกว่าเป็นศาลาพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นผมก็เห็นสิ่งนั้นมาตลอดเพราะเหตุใดครับก็เพราะว่าเราเห็นนี่ยมันถึงเห็นกันว่าเป็นวาสนาของเราไงคนบางคนนี่เวลา จิตสงบแล้วก็จะไปรู้เห็นอะไรต่างๆเพราะในอดีตชาติเคยสะสมการปฏิบัติแบบนี้มามันก็ฝังอยู่ในใจแล้วพอจิตสงบความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาท่านเรียกว่าอภิญญามีตาทิพหูทิพอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้แต่ความรู้ความสามารถเหล่านี้ท่านว่ามันเป็นโลกยวิชา เป็นเดรัจฉานวิชาไม่ใช่เป็นโลกุตรธรรมไม่เป็นความรู้ที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงคิดว่าเป็นความรู้ที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นได้เราต้องไม่สนใจถ้ามันปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างโบราณที่ท่านพูดไว้ว่ารู้ไวใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม รู้แล้วว่าเขาปรากฏขึ้นมาแล้วเขาก็ผ่านไปก็พิจารณาว่าเป็นไตายรักไปอย่าเอามาพิจารณาต่อควรจะมาพิจารณาเรื่องของอนิจจังทุกขังนาตาของขันห้าจะดีกว่าอันนั้นแหละจะเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นอย่าไปพิจารณานิมิตต่างๆที่ปรากฏให้เรารับรู้จะจริงหรือไม่จริงก็ช่างหัวเหมือนมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายของเราแต่อย่างใด ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการลดต้องการตัดภพชาติให้น้อยลงไปพิจารณาตายรักในขันห้าไว้เรื่อยๆแล้วจะตัดภพตัดชาติได้พอเข้าสู่ขั้นสวสดาบันก็เหลือแค่เจ็ดชาติขั้นสกิดาคามีก็ชาติเดียวอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลาดับต่อไป คำถามต่อมาจากคุณกนกพรภัยสารอัศวเสนีปกติเวลาที่ฉันฟังเทศจะจำอะไรไม่ค่อยได้ทะลุผ่านไปหมดบางทีก็หลับเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการผจนไทยเรื่องราวต่างๆหรือธรรมะที่ดิฉันมีพื้นความรู้มาก่อนก็จะตั้งใจฟังและจำได้ไม่หลับดังนั้นดิฉันจึงฝึกการฟังเทศด้วยการเขียนตามคาพูด ครูบาอาจารย์เขียนทันบ้างไม่ทันบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่รู้สึกทำให้เกิดความตึงเครียดและเบื่อหน่ายเพราะต้องขยันและอดทนมีสติสมาธิอย่างยิ่งผลก็คือทำให้ดิฉันเลิกฟังเทศไปเกือบเดือนพอไม่ฟังเทศเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นผู้ไม่เจริญประมาทและขี้เกียจมากจึงเริ่มฟังเทศใหม่ โดยเปลี่ยนวิธีคือทำให้ง่ายขึ้นโดยหลับตานั่งสมาธิฟังบ้างถ้าเบื่อก็ลืมตาไม่เขียนตามแต่ไม่หลับจำอะไรไม่ได้มากเพราะบางทีไม่เข้าใจแต่รู้สึกดีเพราะว่าไม่หลับรู้สึกว่าทำงานสำเร็จได้ฟังเทศทุกสัปดาห์มีความตั้งมั่นมีสัจจะในตนดิฉันทำถูกไหมคะ ตอนนี้ดิฉันก็อ่านและท่องจำหนังสือธรรมะเช่นธรรมะชุดเตรียมพร้อมหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำคำพีวิสุทธิมักท่องวันละ30นาทีบ้าง1ถึง1ชั่วโมงครึ่งบ้างและนำสิ่งที่เข้าใจไปท่องให้มารดาฟังขณะปรนนิบัติรับใช้ท่านครั้งละประมาณ10ถึง20นาทีเรียน มาเพื่อสอบถามว่าทําถูกไหมคะคือการฟังเทศฟังธรรมนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การจําได้หรือจําไม่ได้เป้าหมายของการฟังธรรมนี้อยู่ที่การเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วสิ่งที่เราเข้าใจเราจะจําได้จะไม่ลืมไปจนวันตายแต่สิ่งถ้าเราฟังด้วยความจํานี่แล้วเราไม่ได้ฟังซ้ําหรือไม่ได้ไปคิดถึงมันอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ จางหายไปได้ดังั้นการฟังธรรมนี้ท่านไม่ได้ให้ฟังเพื่อให้เกิดความจําได้ถ้าให้เกิดความเข้าใจคือมีปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเราเข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรเกิดจากสัณหาความอยากพอเข้าใจนี้ไม่ต้องไปท่องมนันต่อไปมันจะอยู่ในใจของเราเสมอ การฟังธรรมท่านถึงสอนให้ฟังด้วยความตั้งใจคือให้เราจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสใจเราอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราไปเขียนข้อความที่เราฟังได้ใจของเราจะเป็นอดีตไปทำที่ปรากฏในปัจจุบันจะไม่ได้ยินเช่นเราจําคําพูดของท่านที่ท่านพูดไปเมื่อนาทีที่แล้วแล้วพยายามจดส่วนนาทีนี้ปัจจุบันนี้ท่านกําลังพูดอะไรอยู่เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ฟัง เพราะใจเราไม่ได้อยู่กับการฟังไปอยู่กับการเขียนดังนั้นท่านบอกว่าเวลาฟังเทศทางธรรมทางปฏิบัตินี้ไม่ไม่ไม่มีเป้าหมายในการจดจำต้องการฟังเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเพราะถ้าเข้าอกเข้าใจแล้วมันจะจำได้ดังนั้นเวลาฟังขอให้มีสติตั้งใจฟังอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าเข้าใจมันก็จะอยู่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไป ถ้าเราไม่เข้าใจแต่เรายังตั้งใจฟังอยู่ที่เสียงเสียงธรรมนั้นก็จะกล่อมใจทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิได้ดััการฟังธรรมมีสองผลด้วยกันผลที่เราจะได้รับคือถ้าเราพิจารณาตามได้เราก็จะได้ปัญญาความเข้าใจถ้าเราพิจารณาตามไม่ได้เราก็จะได้สมาธิคือความสงบการฟังธรรมนี้ก็ต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าผลที่จะได้รับนี้มันก็ เหมือนกับรองน้ําฝนฝนตกทีเดียวมันก็ไม่ได้เต็มอ่างน้ําฝนก็ต้องตกไปเรื่อยๆรองไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเต็มอ่างเต็มถังไปเองต่อไปฉนันใดการฟังธรรมก็ต้องฟังไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับต้องปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจิตของเราไม่อยู่ในธรรมระดับนั้นก็จะไม่เข้าใจ ต้องปฏิบัติเราถึงจะเข้าใจทำระดับที่ท่านแสดงได้เราจะเข้าใจทำในระดับที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เท่านั้นเช่นเราอยู่ในขั้นของสมาธิอย่างที่คนเมื่อกี้ถามถึงเรื่องการนั่งสมาธิกับการพิจารณาปัญญาก็จะเข้าใจในระดับนั้นเท่านั้นจงจะไม่เข้าใจในระดับสูงกว่านั้นคือขั้นปัญญาได้ก็ต้องปฏิบัติไปแล้วฟังทำไปเรื่อย การฟังธรรมแต่ละครั้งนี้เราก็จะมันเหมือนกับจะขยับจิตของเราให้ขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเรานํามาไปปฏิบัติเราก็จะขึ้นไปได้สูงอีกขั้นหนึ่งเรากลับมาฟังธรรมธรรมที่ท่านเคยแสดงครั้งก่อนที่เราไม่เข้าใจครั้งนี้เราฟังเราก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะช่วยเป็นกําลังใจยืนยันของการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติไม่ไม่ผิดทาง ท่านแสดงอย่างนั้นเราก็เข้าใจแบบนั้นเป็นมีความเห็นมีความเข้าใจที่ตรงกันการฟังธรรมก็มีประโยชน์อย่างนี้ช่วยยืนยันในความคิดความเห็นของเราด้วยช่วยส่งเสริมความคิดความเห็นที่ถูกต้องที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นด้วยช่วยผลักดันให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปด้วยดะงนั้นอย่าอย่ายกเลิกการฟังเทศฟังธรรมเป็นอันขาด าการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องได้นะต้องฟังเทศฟังธรรมเพียงแต่ว่าต้องฟังด้วยจิตใจที่จดจอ่จดจอจิตใจที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆแล้วไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของการจดจําว่าจะจําได้หรือจําไม่ได้คําถามต่อมาค่ะจากคุณกุณลธิดาค่ะ เวลานั่งสมาธินั่งหนอหนอไปเรื่อยๆเอาสติไว้กับหนอหนอพอนานเข้ามันสะดุดต้องเริ่มใหม่ทุกครั้งไปต้องทำอย่างไรคะก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเวลาเราเผลอปั๊บมันก็สะดุดสะดุดปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เดินไปใหม่แล้วก็กําหนดไปใหม่ถ้าดูลมก็ดูต่อไปพอเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอได้สติก็กลับมาดูลมใหม่ เป็นการดึงไปดึงมาระหว่างธรรมกับกิเลสกิเลสชอบดึงให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆธรรมก็คือสติจะดึงให้เรากลับมาอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากำหนดให้ให้อยู่ด้วยย่งั้นก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถให้จิตอยู่กับเรื่องเดียวไปได้อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่ได้อย่างต่อเนื่องประมาณห้านาทีสิบนาทีนี้จิตก็หลมได้คำถามต่อมาจากคุณรัฐ พระเสริฐสุนทรค่ะนั่งสมาธิแล้วเผลอสติตามไม่ทันปล่อยให้คิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรคะก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากขึ้นอย่ามาเจริญสติเฉพาะเวลานั่งเท่านั้นไม่พอกําลังจะไม่พอให้ผลกสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานั่งเลยเตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาลืมตาบับก็ตั้งสติก่อนเลยถ้าเราใช้พุโทโธเป็นตัวตั้งสติก็บริกรรมพุโทโธไป เหื่อขึ้นมาลืมตาขึ้นกบพุทธโธเลยลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำทำภารกิจต่างๆก็พุทธโธควบคู่ไปควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมานั่งมันก็จะไม่ไปถึงไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็จะสงบได้คำถามจากผู้ฝากถามค่ะหนูไปชอบผู้ชายคนหนึ่งค่ะหนูทุกข์มากต้องการจะตัดใจจากเขาเลิกยุ่งกับเขาแต่จิตใจไม่เข้มแข็งพอ อีกอย่างคือต้องเจอเขาที่ทํางานและที่วัดที่หนูไปภาวนาเวลาเจอเขาหนูจะใจอ่อนไม่สามารถเดินออกมาจากเขาได้ขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยค่ะก็ใจอ่อนแล้วจะทำยังไงก็ต้องทาใจให้มันแข็งนะเอาไปแชาตตัวเย็นนะแช่ช่องฟีด้วยทั้พังเดี๋ยวมันก็แข็งเอง อ่าอ่นก็ต้องทําให้มันแข็งหนึ่งยังไงถ้ามันไม่แข็งจะทํำยังไงจะถ้าใจแข็งมันก็ตัดได้จะไม่ไปอยู่ที่เดียวกันเขาอยู่ที่นี้แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็จบบนคําถามนั่นแหละอ่าเปิดใหม่เปิดใหม่มัสการค่ะพระอาจารย์คือวันนี้มาส่งข้อสอบค่ะเอาเลยอ่าคือว่า หนูกลับต่างจังหวัดอคะ่ะแล้วพอทีนี้ยันสี่ทุ่มครึ่งมีคนโทรไปบอกว่าขโมยขึ้นบ้านหนูก็เลยตอนนั้นหนูดูจิตตัวเองว่าเป็นยังไงระบบล้วนนะคะอาจารย์ระบบล้วนหายใจติดขัด <laughs> หนูก็เลยว่าเป็นไรอ๋อห่วงซับหรือห่วงสมบัติเนะนก็เลยว่านี้หนูก็เลยให้น้องเขาไปเช็คให้ว่ามีอะไรหายมัางเขาก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าซั์เขาก็ดูว่าตรงไหนโดนเลือดตรงไหนโดนค้นอะไรอย่าค่ะ เราก็เลยว่าข <amba> uh, um, <g ling osas> ok ึ้นไปดูห้องพระหน่อยนีมันเข้าได้ไหมเราก็เลยว่างี้น้องก็เลยไปดูว่าห้องพระมันเข้าไม่ได้หนาก็โล่งใจว่าเออคนชั่วมันไม่ได้ไปกั้มกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราคอยนี้เราก็นอนไม่หลับแล้วตอนนั้นมันสี่ทุ่มครึ่งละเรก็เลยดูจิตตัวเองว่าทําไมล่ะหัวงสมบัติเหรอยังไงมันก็ไปอยู่ในมือโจรและช่างมันเถอะเราก็เลยว่างี้ค่ะไปไกลด้วยพระอาจารย์พยศธรนะคะต่อให้มีปีกก็บินขับไม่ได้ค่ะเลย ทีนี้มันก็นอนไม่หลับหนูก็เลยว่าอเอาพุโทโธขมมาแล้การนี่แหละข้อสอบของจริงหนูก็เลยว่าอย่างเงี้ยทีนี้มันก็หลับอ่ะค่ะมันสงบได้กว่าจะสงบสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะประมาณยี่สิบนาทีค่ะอะาจารย์ขมมันอยู่งะะั้นแสดงว่ายังสอบตกอ่ะสอบตกล ะ, ะถ้าถ้าสอบผ่านนี่มันต้องยินดีเลยเออไปเลยอนุโมทนาเลยหมดเวล์หมดกำจะไม่ต้องไปกังวลกับมันนี่ กังวลแค่นั้นค่ะวันต่อมาก็ไม่มีเรื่องนี้ในใจนลค่ะเออก็แสดงว่าครั้งแรกมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ดูครั้งต่อไปอยวให้ได้มีค่าจารย์มันต้องมีมันต้องมีอะไรที่เรารักที่เราหวงที่ยต้องเสียอยู่แล้วดูซิว่าจะทำใจได้หรือเปล่าอย่าประมาทถามตัวเองตอนนี้เรายังรักเรายังเสียดายลังหงอะไรอยู่หรือเปล่า ถ้ายัางรักยังห่วงยังเสียดายต้องรีบพิจารณาว่าต่อไปจะต้องจาด ก, กันนะดีดีดีการปฏิบัติธรรมนี่ดีค่ะช่วยเราได้เยอะส่วนสามีไม่หลับทั้งค e uh. uh, okay. no ืนเขาบอกว่าหนูว่านอนกลนขอๆไม่สนใจอะไรเลยมีใครอยากจะถามอะไรไหม